พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมลงที่ใจหมดร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยของจิตใจเท่านั้นเองไม่ใช่มีสาระแก่นสารอะไรที่เรา ทำคุณงามความดีมาโดยลำดับนี่นะก็เพื่อให้จิตตรงนี้มันได้สัมผัสกับความดีคือบุญกุศลแล้วมันจะมีความสุขเพราะบุญนะเป็นชื่อของความสุขนี่ช่อย่างอื่นได้ ถ้าความสุขมีอยู่ในที่ไหนบุญก็มีอยู่ในที่นั้นแหละดังนั้นบุคคลไม่ควรที่จะมาห่วงร่างกายนี้จนเกินไปจนให้เกิดกิเลสตัณหาครอบงอำจิตใจบัวติ่ก็ บ, บวช อยู่ไม่ได้แต่เพราะมันหวงร่างกายนี่แหละมันกำหนัดจินตีในร่างกายนี้ละความกำหนัดไม่ได้ละไม่ได้เพราะไม่ทำความเพียรประมาทส่งใจไปทางอื่น ไม่กำหนดใจอยู่ภายในมองดูร่างกายอันนี้อาศัยร่างกายนี้อยู่หักไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงเหตุดังนั้นมันจึงหลงจึงสร้างตันหาเผาตัวเองให้เดือดร้อนเป็นนักบวดเนี่ยมันแสนสุขสบาย ไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับสมบัติต่างๆนานามันแสนสบายจริงๆถือสันดุธีตามมีตามได้และแต่บุญจะตกแต่งให้ยังไง แล้วก็อาศัยบุญเก่าที่ทำมาที่ก่อนนั้นแหละไปแล้วก็ทำบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าอีกผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นะมันก็แสนสุขแสนสบายแต่ผู้ต้องการความสุขแล้วมันก็จำใจต้องทำต้องบังคับตัวเองเข้าไป ไม่เช่นนั้นตนก็พ้นจากเงือง่อมมือของตัญหาไม่ได้ถูกตัญหาจูงไปหาความทุกข์ความทรมานเพียงแต่ห้างเงินทองได้จับได้จ่ายไปวันๆก็พอแล้ว อ, อย่างนี้นะศึกออกไปแล้วก็ไปอ้าว ลกเล่าพ่อแม่ขายนาขายบ้านเอาเงินไปจ้างนายหน้าให้เขาช่วยส่งไปทำงานในเมืองนอกพ่อแม่ถึงกับล่มจมด้วยลูกนี่ก็มีเยอะแยะนี่นนะเรื่องของจันหานะ่ะมันทำให้ความทุกข์ลุกลามไปไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียว ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็พลอยทุกข์ไปด้วยคนเราไม่ต้องการฝึกตนทรมานตนเรื่องมันะเหตุที่เอาชนะตัญหาไม่ได้ไม่มีอุบายแยบคายสอนจิตสอนใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ไอ้ธรรมสังเวทนั้นนะที่ควรพิจารณาเนืองเนืองทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะกุ้งพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้อืมเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเลยเราทํากรรมดีจากไ ด, ด้ดีทําชั่วจากได้ชั่ว เราจะต้องรับผลแห่งกรรมอันนั้นสืบต่อไปพระศาสดาทรงสอนให้พิจรารณาให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นี่แต่แล้วมันไม่พิจารณากันฮนี่ถือว่าตนยังหนุ่มแน่นยังแข็งแรงดีเต็มสามศอกออกสามวา ทำการทำงานก็ได้หาเงินก็ได้ได้เงินมานิดหน่อยแล้วได้ไปเที่ยวเตรดูมรรคผลกเกันได้ไปซื้ออาหารกินสบายสบายพนว่าหรือมีเงินสี่้าห้าหมื่นไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่เล่นอยู่ตามถนนหนทาง ถือว่ามีความสุขคนรอนทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเวลาเผลอตัวไปดื่มเหล้ามอแลกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเอาสลับไปชนต้นไม้บอกไปล้มล้มลงทับขาตัวเองหกักหรือไม่ทั้งตัตายมันนี่มีอยู่บ่อยอะฮเนี่ยดงนั้น ของทุกทสิ่งในโลกเนี่มีคุณอนันต์แล้วก็มีโทษมหาหันเท่าๆกันนะคุณนั้นมันก็ให้ความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองอโทษนั้นมันก็ทำไม่เกิดทุกข์อย่างที่ว่านี่น ะ, ะมีรถยนเกาะไปซื้อเขามาผัดดาวเขามาหาเงินส่อง พรส่งให้เขาทุกเดือนทุกเดือนนะถ้าว่าไม่ได้ส่งดอกเบี้เขาตามสัญญากันแล้วเขาก็มายึดเอารถคืนไปเงินที่ดาวไว้นั่นก็ไม่มีสิทธิ์จะถอนออกมาไดอ้อย่างนี้มีอยู่ท้อมไปเพราะคนไม่กลุวอำนาจแก่ตันหานี่ ตนมีเงินเพียงเล็กน้อยแล้วไปหารซื้อรถยนต์มาขี่อย่างนี้นะแล้วเงินก็ไม่พอจะจ่ายสดก็ต้องเชื่อเขาไว้แล้วรายได้ตัวก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มากมายอะีเรเลี้ยงครอบครัวไปกับแย่อยู่แล้วกนเกียดจะเอาไปใช้ค่าดอกเบี้ยเขา มันก็ไม่พอตกติดข้างเขาสองเดือนสามเดือนอย่างนี้ถ้า ฐ, ฐานเขาอนุโลมลายใดเขาไม่อนุโลมเขาก็ยึดเอารถคืนเสียแ้่เขาก็ไปซ่อมเขาก็ไปทาสีใหม่หัวเลยให้เป็นรถใหม่ขายต่อไปอีก ไอคนเรานมาติดสุขชั่วคราวในโลกอันนี้นะเป็นไปอย่างนั้นนะแล้วสุขชั่วคราวนี่แหละมันแข่งไว้ด้วยทุกข์ไม่ใช่ว่ามันสุขลน้นลวนเมื่อไหร่อ่ะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปสบายสบายแล้วถึเวลามันน้ามันหมดก็ต้องเติมน้ามัน เ, เงินตัวก็มีนิดหน่อยฮะเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วไม่มีเงินค่านะมามันนะ่ะ อ, อันนี้เีือนหน่อหนึ่งเครื่องเสียพอเอาเข้าโรงซ่อมโอ้ยเสียเงินเป็นหมื่นหมื่นบางรายอย่างน่าก็สี่ส้าห้าพันเดี๋ยวนี้แล้ ว, ลวมันจะมันจะคุ้มกันหรือความสุขที่นั่งรถไปนะั่น ควรจะบวกรบคุณหานดูบ้างนี้นนนร่างกาแล้วไปชนคนตายเขาอีกกติดตารางไม่มีเงินจะเสียให้เขาวันนี้เราคิดไปให้ทั่วแล้วมันไม่อยากได้ดอกลนันแบบนี้คนเราถ้ามีเงินทองก้อนโ ต, โตโตไว้เก็บดอกเวีย้ย แต่ถ้าเดือนเดือนอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยอืพอได้ผ่อนส่งเขาอันนี้คนสวนมากไ ม, มไม่มีไม่มีเงินเป็นก้อนอย่างนั้นชาวนาชาวสวนนะอืมได้มาแล้วก็จ่ายไปก็หมดไปได้มากระจายไปหมดไปเท่า น, นั้นเองทําไมจะไม่รู้อ่ะ เรื่องหมนี่เรื่องนั้นจะเห็นได้จากการทำนาต้องไปเป็นหนี้ปุ๋ยเขาไว้ก่อนอทำนาได้ขายข้าวแล้วจึงใช้เอาไปใช้ค่าปุ๋ยาบางทีก็ไม่พอซ้ำเลยพอทำนาไปก็ใช้จ่ายไปโอ้ถ้าพนนาไปแล้วมีแต่วความทุกข์ ในการครองเรือนเนี่ยแต่วิจัยของผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาแล้วทุกปัได้มันก็ยอมนะมันเป็นงั้นมีแตนะ่ตันหาหน้ามืดนะให้พิจารณาเอาผู้ใดก็ดีผู้มีปัญญามีวาสนาคงับพิจารณาได้พิจารณาได้แล้วก็ อวดมาแล้วก็ไม่ซึกทร ม, มานตนไปมันเหึกเผิมหลายก็อดข้าวอดนอนเอาตายมันตายตายดีกว่าตกเป็นธาตุแห่งตันหาเอาอย่างนั้นถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของตันหาไปได้ให้พูกพูดอยู่นี่มันก็เหมือนกันได้ยังหนุ่ม่ะ ก็สละชีวิตเพื่อพรมจรรย์เราจะไม่ยอมให้กิเลสมนครอบงามัมนเถอเขิมแล้วก็อดนอนผ่อนอาหารเข้าไปจนร่างกายโซผอมเลยเอาผอมกระทั่งมันผอมแต่กายแต่จิตใจมันไม่ผอม จิตใจมันหนักแส้นมันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมจิตใจไม่เพียนทุกข์ร่างกายจะผ่ายผอมไปก็แล้วแต่หรือมันจะแตกดับไปก็แล้วแต่ขอจะให้ตกเป็นท่าของตัณหาพอแล้วมันตั้งใจอย่างนั้นจริงๆอาจายังโหนมาเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีทางอ้วนทาง ทีเหมือนกับเพื่อนเลยพร้อมอยู่งาน้วไปไหนใครกับทวงเอาทวงกับทวงไปอะนนี้แหละการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ความหมายก็เพื่อที่จะเอาชนะกิเลสกำจัดกิเลสในหัวใจนี่ออกไป ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรนะไม่ไม่มีแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรแต่เมื่อผู้เอาจริงเอาจังไปแล้วไอ้ผู้คองเรือทั้งหลายเขาเห็นเขา้าเขาก็เรืม่มใสเขาก็นับถือเขาก็ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนไม่ให้อดไม่ให้อยากในัจจใจทั้งสี่เขาเขาเห็นว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ภาคเพียรไม่ยำ เข้มแข็งละอาสวักีเดชได้นั่นเขาเห็นว่าเป็นผู้วิเศษในโลกอันนี้นะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมมันสูงหากว่าได้ทำบุญกุศลด้วยจะได้บุญหลายไอความรู้สึกของประชาชนผู้ครองเรือนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นความรู้สึกอันมีอยู่ต่อนอักปวดนี่ ถ้าเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเขาจะไม่แสดงความเลื่อมใสอย่างยิ่งออกมาเลยเห็นกันก็เห็นธรรมดานี่ยนะโยมเห็นพระก็ทักทักทายกันไปชั่วคราวแล้วก็เลี้ยวไปไม่ได้เอาใจ จ, จออืมนี่แหละผู้ที่ตั้งอกตั้งกายปฏิบัติจริงๆมันก็ได้ผลจริง ได้ประโยชน์ทั้ง ต, งตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนก็ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาวางไปประโยชน์ผู้อื่นผู้อื่นก็ได้ทำบุญทำทานได้สล ะ, ปปะจะตกปัจจัยออกมาโดยไม่เสียดายเลยเพราะความเริ่มใส่แล้วนะเป็นมูลเหตุถ้าไม่เริ่มใส่แล้วไม่แล้วมันสละออกไม่ได้เลย เงนเฟอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักวดนี่นะต้องพิจารณาให้ดีเมื่อเราไปตกเป็น่าแห่งกิเลสตัณหาแล้วอันยากที่จะได้ทำบุญกุศลยิ่งผู้ที่มีฐานะไม่สมบูรณนะ์ น, นั่นน่ะ สึกออกไปมันก็ต้องไปหาเงินหน้าทองหาเช้ากินข่าหาข่ำมกินเช้าไม่มีเวลาจะเข้าวัดเข้าว่าทำบุญทำทานเลยอยันนี้เนะี่ยแม่แน่นอนทีเดียวอ่มไอพวกที่สึกหาลาเพศไปแล้วหมดนั้นที่มันหายหน้าหายตาไปส่วนมากมันก็เป็นอย่างว่านี่แหละ ความอยากจนขนแค้นอืมิึงไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดเข้าวาฝึกจนทรมานตอนอย่างไดเลยอืเจ <c oughs> ่ามีแต่เป็นนักบวชนี่เท่านั้นแหละที่ได้ฝึกจนเต็มที่เป็นกระเงหัดแล้วไม่ได้ฝึกจนเต็มที่เราเพอแต่ตอนนั้นแหละ ทำความดีกับพระ เ, เป็นองค์นิสัยไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเหตุดังนั้นน่ะจึงเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าคนเรานะ่ะมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นนี่ผู้ใดทำกุศลความดีมาแต่ก่อนมาก บุญกุศลเนี่ยกอกมาดนบันดาลให้เห็นโทษเห็นภัยในการคลองเรือนแล้วก็ออกบวชกันนี่บุญน่าามันมากๆแล้วไม่ว่าใครๆแหละหมุนไปนั้นมดเลยถ้าเมื่อมันยังไม่มากแล้วมันก็ไม่หมุนไปแล้วหมุนไปไม่ได้เพราะมันสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เรื่องมันนะผู้ใดบุญน้อยแต่ทวมา บุญทำบุญกุศลมาแต่ก่อนน้อยเช่นรักษาอุโบสถศีลอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีหรือบางคนกับ น, นานๆนานทีหนึ่งอันนี้สองอุโบสถมันก็มีน้อยเดียวไม่บรนดานที่ใช่พอใจในการบวชได้นี่แหละจึงว่าคนเรามันมีบุญมีกรรมเป็นของตนนะตนทา บุญทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมมั น, นั้นไม่มีผิดหรอกไม่จาเป็นต้องไปเพ่งเล็งถึงเทวดาอินพรหมอะไรเทวดาอินพรหมก็ช่วยไม่ได้ถ้าตนเองตอนเองก็ช่วยตนเองไม่ได้ลราจะให้ผู้อื่นมาช่วยไม่มีทางนะคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าผู้อื่นจะช่วยแล้วนะตนเองมันต้องบากบั่นเต็มที่ซะก่อนองนั้นต้องฝึกตนทรมานตนให้เข้มแข็งเต็มที่แล้วทำการทำงานอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวงังมันมีอุปสรรคขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งนี้ เราจึงต้องอธิษฐานถึงบุญบรารมีที่ได้ทามาอธิษฐานถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ที่ตนเขารบปูชาถ้าบุญคุณเหล่านี้หากมีจริงอยู่ในใจข้าพเจ้าแล้วก็ขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนานั้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่าได้มีอุปสรรคขัดข้องในหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรนี่การอธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีที่ตนทำมาเนี่ยสมควรแท้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะสร้างบา ร, รมีมากระรงสร้างอธิษฐานบา ร, รมีนั่นนะในบา ร, รมีสิบนั้นไปพร้อมกันเลย มันอธิษฐานจิตถึงคุณงามความดีของตนมันอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนไกรให้มากเข้าไปแล้วแล้วจิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นมันก็พอใจในการที่จะฝึกตนทรมานตนบนี้นะโดยยึดเอาคุณพระรัตนไกร และบุญกุศลสนที่ตนทำมาแต่ก่อนเป็นกำลังใจมเมื่อได้กำลังใจแล้วใจมันก็เข้มแข็งอ่ะมันก็ยินดีฝึกตนเข้าไปภาวนาเข้าไปถ้าหากไม่ได้บุญได้คุณอนะ่ะนั่นเป็นกาลังใจมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะฝึกตนภาวนา นั่งภาวนาก็สต่พแต่นั่งไปกับเพื่อนไปงั้นถ้าไม่นั่งก็มันเข้ากับหมูก็ยากพออยู่กับหมูระเบียบมียังไงมันก็ต้องทำไปแต่ทำไปในเพียงของไปทีส่วนมากไปอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะ ตั้งใจทรมานตนจริงๆละกิเลสไปจริงๆไม่ค่อยได้ฟังใจกั น, นดูแต่ตอนหนัวรุ่งนี้ก็ได้รู้ได้นอนหลับนนไหลไม่รู้จะตื่นหรือว่าตื่นแล้วขี้เกียจลุกก็อ น, นอนซ้ำนี่แสดงว่า มันไม่ได้เห็นโทษเข็นภัยของกิเลสตัณหาอะไรไม่ได้คิดว่าจะฝึ ก, กจิตใจตนในเข้มแข็งกำจัดกิเลสออกจากหัวใจให้ได้มันไม่ได้คิดกันถ้าผูดด้ใดคิดแล้วก็ผู้นั้นก็ตั้งใจอยู่ตั้งสติอธิษฐานใจอยู่เรื่อยไปละอันเช่นนี้แล้วมันก็นอนตื่นดึกลุกเช้า ได้แม้จะมีใครควบคุมอยู่ไม่มีใครควบคุมก็ตามเมื่อก็ตื่นตามเวลาคนเราเนะ่ยอย่าไปชอบให้ผู้อื่นควบคุมอยู่ตลอดเวลามันไม่ถูกต้องไม่ไม่สมกับว่านักปราบบัณฑิตนักปราบบัณฑิตนี่เพื่อน ตื่นตัวนะเชื่อมั่นในกุศลคุณงามความดีว่าจะอำนวยผลในตนเป็นสุกกิ้งเชื่อมั่นว่าการบวชนี่แหละเป็นการดำรงชีวิตอยู่สูงกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ที่ดารงชีวิตอยู่โดยไม่ใช่นักบวช การเป็นนัก บ, บวชในนับป้าเป็นการดำรงชีวิตอยู่อย่างขาวสะอาดอย่างสูงรงนี่นะถ้าผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็ไม่ศึกษาลาเพศแหละบวชเข้ามาแล้วก็ดีเพราะฉะนั้นให้ปากันคิดตูให้ดีบุญกุศลส่งตนมาให้มา เกิดแล้วให้ออกบวชเนี่ยให้มีศรัทธามาบวชนี่ถ้าบุญน้นหลังไม่มีบุญน้นหลังไม่หนุนส่งแล้วไม่มีทางมันจะมีแก่ใจมาบวชพวกการบวชนี่ก็อย่างที่ว่านั่นลคือเป็นการมาบวชเพื่อประพฤติคุณธรรมอย่างสูงเพื่อชำระอาศวะกิเลส ให้เบาบางออกไปจากกิเใจไม่ใช่บวชมาเพื่ออย่างอื่นใดหาไม่ได้บางคนก็ว่าบวชให้พ่อให้แม่แต่กิเลสก็ยังเต็มตัวเต็มใจอยู่แล้วจะไปให้พ่อให้แม่ได้ยังไงอ่ะอ๋อครูจะบวชให้พ่อให้แม่ได้ก็ต้องฝึกตนทํากิเลสตัณหนาน้อยเบาบางออกไป จากกิดใจมีใจคอหนักแน่นเช่นนี้แล้วก็บำเพ็ญต่อไปเมื่อคุณธรรมบังเกิดมีขึ้นในใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นก็ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้อรือว่าตอบ ตอบุญแทนคุณด้วยการทำความดีอุทิศความดีคือบุญกุศลนั้นให้แก่ท่านอย่างนี้แหละถ้าตนไม่มีคุณงามความดีนั่งภาวนาก็นัน่งง่วงอยู่อเฉยทำใจให้เบิกบานให้สงบก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็ จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่พี่ลุงป้าน้าอาไม่ได้เลยดังนั้นไม่เพิ่งพากันตั้งอกตั้งใจนึกถึงบุญบา ร, รมีของตนนะไม่นึกบุญบา ร, รมีก็ไม่เกิดนะนะต้องอธิษฐานถึงบุญบา ร, รมีอยู่บ่อยบ่อย เออสาธุนะข้าบุญข้าพระเจ้าทำมาที่ก่อนหากมีบุญบารมีหากมีจริงขอให้มาช่วยข้าพระเจ้าจะได้ซึคษาลาเพศออกไปขอให้ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นี่เลื่อยไปเหมือนอย่างอุปชาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก่อนแล้ว นี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องดำริอย่างนี้บุญบรารมีมันก็จึงจะช่วยเหลืออันนี้จะไปคิดแต่เรื่องอื่นเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารนู่นไอบุญบรารมีความดีที่ตนทำมานี่มีม่อยนึกถึงเพราะเหตุนั้นกิเลสมันยังท่วมทับจิตใจเอา เพราะมันเปิดช่องหัวให้กิเลสเข้ามาครอบงำถ้าหากว่าจิตใจนี่เชื่อมั่นในบุญในคุณนี่เพ่งภาวนาอยู่ให้บุญคุณนี่ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วเช่นนี้นี่กิเลสตันหามันก็ครอบงำไม่ได้เรื่องมันนะมันก็ต้องวันเทาวบาวางลงไปดังแสดงมา